กียการที่เราได้กลิ่นดอกไม้หอมหรู้ว่าดอกไม้หอมและไม่ใช่วิปัสนาเพราะคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็รู้เหมือนกันใจก็รู้เหมือนกันไม่ต้องฝึกปฏิบัติอะไรหรอกแ ล, แล้วดอกไม้หอมกลิ่นหอมมันไม่ใช่ตัวเราอยู่เลยวิปัสนาเนี้ยต้องมาลุกใจของเราเองเพราะฉะนั้นสมมติว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจเราชอบ รู้นี่ความชอบเกิดขึ้นมาแนละ้วตั้งอยู่ดับไปดูเอไม่ใช่ไปดูที่กลนเหมือนที่ออบดูตงเกียงได้ยินเสียงนกนะรู้ว่าเสียงนกเกิดดับไม่มีความหมายอะไรนะมันร้อคิด ยิ้มอะไรเสียก็ ข, า, ขาดเป็นช่วงๆเ ก, กิดดาบต้นช่านมันประดายไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้ารู้ว่าใจเรายิ้มไปฟังอะไอย่างนี้ใช้ได้หรือว่าพอมันร้องคิดมิ้เนี่ยเห็นใจเราไหวแว๊บแวตามด้วยนี่ก็ยังดีหรือมันร้องๆ้หนวงหูรำคาญมันรู้ว่ารำคานนี่ดีใหญ่ติ๊กต้องกลับมารู้กายรู้ใจของเราเห็นดอกไม้สวยใจเราชอบรู้ว่าชอบไม่ดีเยี่ยมหเห็นดอกไม้สวยใจชอบรู้ไม่ทานเอื้อมมือไปจะไปเด็ดละ เห็นรูปเคลื่อน ไ, ไหวไปรู้ทันร่างกายที่กําลังจะไปเด็ดแล้ยทีนี้ก็ยังใช้ได้นะอาจารย์ปฏิบัติให้มารู้กายรู้ใจอย่างเราจะพอเรามีสติเรารู้กายที่เคลื่อนน่เราจะเห็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราอ้ดอดวออกไหมเวลาเราเดินจูงลมอ่รู้สึกไหมว่าไอ้ที่เดินอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเร า, เ, ราเอานะถ้าดูไปได้ไหนร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตใจความรู้สึกเล็กคิดเท่าไหร่ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราหมดเลย ไปดูมันเขาถูกรูก้ถูกรู้ทั้ง น, น, นั้นไม่ใช่เราพอเราไปดูเอออันนี้ก็ถูกรู้อันนี้ก็ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสั้ง น, น, นั น, นไไดูไปเรื่อยๆสุดจะดูความจริงว่าไม่มีเรากายาที่ถี่กับขาดเพรา้นปฏิบัติเอย่าไปสเปกสับนะมันใช่คิดถึงการปฏิบัตินะหลักตารูกเดียวแล้วจะบรรลุบรรลุไม่ได้ไม่รู้ทิศทางเลยเรื่จับเป้าหมายเป้าหมายที่หนึ่งละกายาที่ถี่ เพหมายที่สองทําลายความยึดถือกายกับใจทันห้าเไปยึดถือมันมาบางทีเมื่อถึงต้องพูดเรื่องเมื่อกี้เนยรื่องว่าเวลารู้เนี่ยเราสลับมันไปรู้ไหม สังเกตดูเวลาเราเห็นหัวใจเต้นทุบทุบๆุบางทีเรารู้อยู่เหมือนรู้อยู่ห่างๆเห็นว่าที่เต้นอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุพาตุมัเคลื่อนไหวอย่างนี้ถูกต้องเห็นหัวใจเต้นทุบทุบทุไปสนใจมันคอนเซนเทรตมันเป็นเจ้ามันนะใจเราไหลเราไปเกาะมี่มันแล้วไปทุบๆอยู่ด้วยกันอย่างนี้งั้นใช้ไม่ได้งั้นต้องจิตต้องตั้งมั่นถ้าไหลถ้าไปเราใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเราใจเราท่ามั่นเราจะเห็นเลยที่เต้นทุบๆนี่ไม่ใช่เราหรอกอารู้สึกรู้สึกอยู่ห่างนะเหมือนเราดูเหมือนเห็นคนอื่นเนืเหมือนเห็นร่างกายคนอื่น่ก็ยังแยกไม่อออไม่ไม่ต้องไม่ต้องแยกอย่าไปคิดเรามันจะรู้สึกเองเป็นปกติปกติ มีครูบาอาจารย์อยู่องค์นึงนะมีเครื่องอยู่ในการด้วยการรู้หัวใจเต้นซุบๆุทั้งวันทั้งคืนคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพูดเคยเล่าให้ตะมาฟังบอกว่าหลวงพ่อนะกลางคืนนอนเนี่ยเขาเห็นหัวใจเต้นซุบซุบๆุบไปเรื่อยรางวัลถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ทําอะไรก็เห็นหัวใจเต้นอยูรื่อยแต่การที่รู้หัวใจเต้นเนี่ยไม่สลับลงไปรู้ดูอยู่ไกลๆดูอยู่นานๆจะเห็นว่าไอ้นี่ที่เต้นอยู่ไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าเราถลับลงไปเมื่อไหร่หัวใจเราเต้นเนี่ยเป็นลัษนีขึ้นมาไม่เข้าไปในมุมงมหนนัตจารย์นะ mm hmm. ตัวทันยูหนังมุมงมหัตจัรยร์เนี่ย mm hmm. หนังโบราณโบราณมีบางท่า น, นจอจารย์ก็ท่อถาใจคิดว่าเป็นการรู้ที่้องบางท่านอด เดี๋ยวไอ้เรื่องเกิดไ่เกิดมางนะคออย่างใหของหนื่อันก็เอาพุทโธมาเหนื่ยทน้นั่นเหนืยั่นเห่กลับมาพุทโธเราหายใจนะโค้งแต่เสมอเราเห็นมันเกิดดับเกิดดับเนี่ยต้องสังเกต่ยถึงบอกต้องเรียนเรื่องจิตที่ตั้งมั่นก่อนขณะที่เห็นเกิดดับเนี่ยเราขำลงไปหรือเปล่าถ้าถลุกไปเนี่ยไม่ถูกอ่ะเหมือนเราเราตกลงไปอยู่ในน้แล้วถูกขึ้นซัดเบี่ยงซ้ายเบียขวาเลย แต่ถ้าเราไม่ถลำลงไปเราดูอยู่หานะ่างๆนั้นเราเหมือนดาวเทียมดาวเทียมอยู่บนฟ้าพายุอยู่ข้างล่างไม่กระเทือนเลยยิ่งสบายเสียอีกเพราะฉะนั้นความ ร, รู้สึกตัวได้หัดใหม่ๆนะรู้สึกเหนื่อยเลยเหนื่อยจังเลนืย่ยเพาอะไรเพราะเราถลำลงไปดูใจเราไม่ได้ตขอบขอเรามาเป็นผู้ดูอยู่หา่างๆแต่ถ้าเราฝึกมากๆใจเราจะค่อยๆไปลออกมานะไ ม, นา ไ, ไม่ยินแค่ไปมันไม่ยินนะดูอยู่หานะ่างๆนั้นเหมือนดาบเทียมนะั้น ในโลกนี้กำลังมีพายุปั่นป่วนเลยจะเตรียมไม่เือนเลยรื่องเลยการเจริญสติในรูปแบบจะทำให้การูีสติที่หลวงพี่สอนเนินนานตั้งชาไปที่บ้านเราได้คือเจริญสติในรูปแบบหมายถึงอะไรหมายถึงรูปที่ครูบาอาจารย์สอนทั่วไปเช่นการยินดีชมโคเดินสีด น, นไหมดีเป็น นะเลยได้เป็นกึก่งละแสนทําสติปตัฏฐานสีต้องทํา ถ, ถึงใช้คำว่าต้องทาเลยแต่ ส, ต, สติปตัฏฐานสี่ไม่ได้ทําตอนเข้าคอรสเท่านั้นะอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมว่าร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งเราเป็นคนดูมันเป็นคนรู้มันเฉยเฉยอย่างนี้เรียกว่าจเจริญสติปตัฏฐานอยู่แต่ถ้านั่งจ้องใจไม่ยอกระติกออกจากกายจ้ อ, จองด้วยความเคร่งเียดแช่ยอยู่ด้วยกันไม่ใช่สติปตัฏฐานแล้ว นะเอากลายเป็นทุกงขังใจนะถ้าสติปัฏฐานเนะี่ยเอากายเป็นบ้างเป็นวิหารธรรมการทําตามรูปแบบมีประโยชน์เหมือนกันแต่เราก็ทําให้เป็นถ้าเราปฏิบัติตามรูปแบบจะอยู่คนเดียวก็ทําตามรูปแบบได้เช่นเดินสุโขทัหรือนั่งทุกวันต้องนั่งสอนนอนเลยดีทําไปเกินแต่ว่าทําให้เป็นหมายถึงว่าทําให้มันเป็นตุกหลักของการเจริญสติถ้าเราต้องการทําสมาธิเราทำอย่างนี้นะ ถ้าเราต้องการทำมิปัสสนาทําทำอย่างนี้ยกตัว อ, อย่างถึงว่าเราจะทําสมาธิเรารู้ลมหายใจทุกวันก่อนนอนต้มานั่งหายใจออกก่อนนะหายใจออกก่อนอย่าไปใหายใจเข้าก่อนหใจเข้าก่ อ, อแล้วเครียดหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยให้ใจมัจใในเข้าเครียดอยู่ที่ลมอย่าไปสนใจว่าเมื่อไหร่จะสงบรู้ความไหวของลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงบรี่ทำํำสมถะ แต่ถ้าจะทำนี <Alleg aba. S 1> qu ้ปรัสนาเรามานั่งหายใจก็ได้ชอบหายใจก็หายใจหายใจไปแล้วใจเราเริ่มสบายรู้ว่าใจเราสบายใจสงบรู้ว่าใจสงบวันนี้หายใจแล้วไม่สงบเลยใจพุ่งต้านรู้ว่าใจพุ่งต้านหายใจเพื่อจะรู้ใจของเราอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้ทำนี้ปรัสนาได้เห็นว่าจิตใจนี่ไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปโน่นเดี๋ยวไปเรื่องโน้นไปอดีตไปนั่นก็จิตไม่อยู่นิ่งเลย อย่างนี้ได้งั้นเราทำตามรูปแบบก็ได้ไม่ไม่ใช่ว่าเสียหายหรือเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินไปเมื่อ pues ้าใจเราไหลเองไปแช่อยู่ที่เท้าหรือใจเราเป็นเกาะที่ร่างกายนิ่งๆไม่คิดมากนะสงบจับตัวรมอย่างเดียวก็เป็นสมถะสมมติเราเดินไปแล้วเราเห็นมาเอเอ๊ที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นก้อนพาดก้อนหนึ่งที่เคลนไหไปมาไม่ใช่ตัวเราที่ขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได้หรือจะมาดูจิตในระหว่างเดินจงกรมก็ได้เดินเดินไปใจหนีไปที่อื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปแล้วนะเดินเดินไปนึกถึงเรื่องนี้มาหงุดห ง, ง, งิดรู้ว่าหงุดหงิดเนียคอยรู้ทันเพราะงั้งนการปฏิบัติเนี่ยทำตามรูปแบบหรือไม่ทํำก็เหมือนกันแต่ถ้าทําตามรูปแบบเราก็รู้สึกมั่นใจหน่อยรู้สึกครบูล น, นะรู้สึกมาได้ทำรู้สึกมาได้ทำ แต่ทงที่ปัญหาใหญ่ตอนนะั้นปฏิบัติคือมีการทํานั่นแหลนะการทํำด้วยปัญหานั่นแหละ ย, ยิ่งเข้าคอร์่นะสมาไม่ค่อยนิยมพวกคนจิตมันไม่เหมือนกันเนีย่ยจะไปทาอย่างเดียวกันได้ไงแต่ละคนก็มีทางเดินเฉพาะของตัวเองเท่านั้นอย่างตอนนี้ต้องนั่งเหมือ น, อนกันเน่ตอนนี้ต้องเดินเหมือนๆกันโอ้แล้วตอนนี้เขาอยากนั่งเหรอถ้านั่งแล้วจิตเขาจะสบายจะสงบเนี่ยในบัตรครับก็เดิน ก็ไม่เมาะแต่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทาเลยนะ แ, ลแล้วที่พอเซนซ่าบอกว่าเจอิตคนเนี่ยหลายอย่างือการเจริญสติก็หมาะแอารมณ์ของวิปัศสนามีสีอานาจาวิยนาจิตธรรมก็เหมาะกั บ, กกบจริตที่ต่างกันแล้วย่งพวกที่โทรศัพ์จริตโทสศจริรตรไม่เกี่ยวกับมิตรศาสนานจริตที่ ม, มีมีสองกลุ่ม คือจริตในการเลือกทํำสมถะเนี่ยอันหนึ่งมีหกจริตจริตเพื่อการทํำมิปัสนานี่มีสองจริตเพราะงั้นโพสต์จริตเช่นรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมดีไม่เกี่ยวกันเลยอนะโพสต์จริตราคะจริตโพสตจริตโมหะจริตนะพุทธิจริตวิตกจริตสันธาจริตเอาไว้เลือกอารมณ์สรถะเช่นโพสต์จริต ก็ แ, แผ่เมตตาแล้วใจสบายมุ่งไปถูงให้ใจสบายมีราคะจริตแหมใจมันเล่าร้อนะคิดถึงสาววันลึกคืนก็พิจนาอตุภาพินาปฏิกูลใจก็หายร้อนใจสงบเนี่ยเพราะงั้นทำไปเพื่อให้ใจสงบเลือกเลือกอารมณ์ของธรรมถักแต่พอวิปัสสนามีสองจริตมีตัณหาจริตทิฏฐิจริต พวกเราชาวเมืองเนี่ยส่วนใหญ่คิดเิยเฉลีปัญหาจริียเนี่ยพวกรักสงบรักสบายชอบความวิเวกอย่างนี้นะั้นพวกชาวเมืองทั้งหลายส่วนใหญ่ก่ชอบคิดคิดมากพวกนี้ไปไปทําด้วยกรรมฐานของพวกปัญหาจริียทำยากนี่ท่านแยกอย่างนี้ว่าถ้าถ้าเป็นปัญหาจริียเนี่ยพวกไม่ชอบคิดมากอย่างนี้แล้วกันพวกไม่ชอบคิดมากชอบสบายชอบสงบเนี่ย ท่านบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะคือกายและเวทนากายานุปัสสนาเวทนานุปนัสสนาเหมาะกับพวกตัณหาจริตหรือพวกคิดเฉจริตพวกชอบคิดมากเนียเหมาะกับจิตตาและธรรมาเนี่อธรรมาเนี่ยเรื่องสิทธิท่านพอดีตั้งแต่เนี้เลยเจด็ดขวดบหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้ถึงมาแต่เด็กๆพอถึงเรื่องที่หนักกายนะใจไม่ยอมแนละ ใจไม่ลงเลยแต่ก่รพิจารณาไปพิจารณาทำไมง่ายนิดเดียวนะวนเวียนซ้ำซากที่เดียวอยู่แค่มีน่าเบื่อใจมันไม่เอาเจอหลวงปู่สิมเจอใจไม่เอาเราไปเจอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเพราะมันมีอะไรให้น่าดูเยอะเลยนะทำไมมันซับซ้อนมันเคลื่อนไหวรวดเร็วมันมีอะไรแปลกๆในรู้สึกไหมมันสะใจมันสนองจริตเราเด็กชอบคิดมากเลยหรือยัง พวกที่อยากเดินกายกับเวทนาเนะี่ยควรจะทำฌานก่อนเหมาะ ก, กับสมาฐายานิสจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนะหมกกาะกับวิปัสสนาญาณิสเพราะงินครูบาอาจารย์วัดป่าที่ท่านพี่นากายสังเกตได้ดีนะั้นท่านทาฌานก่อนทำสมาธิก่อนมีบางองค์อยู่ๆบอกไม่ต้องทำสมาธิให้พี่นากายเเลยขัดกับคำพีเลย ขัดกันที่ครูบาอาจารย์สอนมาแต่ก่อนก่อ น, นให้ทําความสงบก่อนสงบจนแนบแ น, บน่เลยจิตเป็นหนึ่งเลยนะแล้วก็ขั้วออกมาลุกกายเอารู้กายจนยยมันหมดกายที่นากายจนปล่อยวางกายสลายไปหมดแล้วเนี่ยจิตที่เคยฝึกข้วถึงอัปนาถึงฐานของจิตเนียมันจะย้อนกลับเข้ามาที่จิตเองแล้วก็จะมาดูอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตคือกลับมาดูจิตตรงนี้นะ ว, วิปัสสนาแท้ก็อยู่ตรงนี้ เพราะงั้นถ้าจะเดินกายก็ต้องอย่าไปจิ้งสมาธิอย่าจิ้งสมถะต้อง ท, ำทํทำสมถะทําจนกระทั่งจิตรวมไม่งั้นพอเราพิจารณากายนะพิจารณากายไปด้วยเราไม่ยอมทำสมถนะเราพิจารณาจนกระทั่งจิตใจมันเห็นว่ากายไร้าสาระลปล่อยทิ้งพอปล่อยปุ๊บมันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปหารูปแทนหนีไปหาความว่างๆไม่มีอะไร แต่ถ้าเคยทำสมาธิจิตรวมเข้าถึงอัปปนาเข้าถึงฐานพอพิจารณาเห็นกายสลายไปหมดแล้วอันเนี้ยจิตมันจะย้อนเข้ามาที่จิตเองพอมันย้อนมาที่จิตเองนี่มันมาเดินวิปัสสนาที่จิ ต, จตนี่จริงท่านฟันไงธรรมะไม่เปิดเลยผมฟังเพลงนะฮะก็วางใเ้พิจาราดู่าฟังเทธรรมะไม่เปิ้นีย มันไม่ถึงจลิตเีอยเบื่อเพราะว่ามันน้อยว่าราเหมือนแบบเน้นมากอ่าอย่างนั้นเลยนะเราส่งจิตของเราไปที่โน้นสังจิตไปตรงนี้นะส่งไปเรื่อยๆแทนที่เราจะทำอยู่แค่นั้นอะเพิ่มนิดเดียวปรับอยู่นิดเดียวนะ รู้ว่าจิตไปอยู่ตรงนี้รู้ว่าจิตมาอยู่นี่รู้ทันที่จิตของเรานะต่อไปพอเริ่มจากคาสส์แนละ้วที่อย่าไปเพ่งเงแล้วเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าจิตเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในกายอย่างนี้ใช้ได้คือการคล้ายๆเป็นการมนกา ร, กา ร, การบอกหรือเอ็กซ์ซ์ทายแต่อมาพอเราเลิอกออกจากฟาสส์มาตาเรามองเห็นนะจิตเราวิ่งไปทางตาเรารู้มันเหมือนกับวิ่งไปที่ผมนั่นแหละ มันวิ่งไปทางตารู้วิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจรู้พอรู้ทันกนะ็มันวิ่งไปขึ้นมามันจะตั้งมัน่นตั้งยิงเพราะนเดินเดินถ้าถูกแนละ้วครูบาอาจารย์บางทีก็สอนดีนะครับเราไม่เข้าใจให้ถึงแก่นกลายเป็นนั้นเราจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหนื่อยาตา ย, ยแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปที่ผมรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ผมจิตมาอยู่ที่หูจิตมาอยู่ที่มือรู้ทันนี่จะเป็นการมอง ก, กอราร e x e r c ร s e ซ้อมไหม แต่มาเวลาลงมาสนามจริงในชีวิตจริงตามองเห็นรูปจิตวิ่งไปหรือทันจิตแล้วมันวิ่งไปเหมือนที่วิ่งไปที่ผบนั่นแหละหรือมันวิ่งไปในความคิดเหมือนวิ่งไปที่หูนั่นแหละมัวนะิ่งไปอย่างนั้นเองพอเรารู้ทันจิตแล้วตั้งมัน่นจิตไม่ส่งออกจิตตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นแล้วพอรู้กายเนี่ยจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นก้อนผ้าอันหนึง่งไม่ต้องคิดเลยไม่ใช่เราอยู่แล้วที่มันเป็นเราขึ้นมาเพราะไปหลงคิด รู้ตายก็ไม่ใช่ดางใจก็ไม่ใช่ดาวนั่นจะตายนั้นก็ตายได้นะแต่มาเลยไม่ค่อเกลี่นเอาแล้วลมอีกคนแล้วลมเล่นยากนะ <c oughs> ลมเล่นแล้วมันสบายเพลินเอาอานี้ก็ได้เอาชอบลมพอใจสบายรู้ว่าใจสบายหายใจไปวันนี้ไม่สงบเลยใจุ้งต้านรู้ว่าจิตต้งต้านเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าชอบลมก็ใช้ลมได้แต่ใช้ลมเป็นสื่อมาดูจิตใจ เพราะกรรมฐานลมจะเล่นลมให้เป็นวิปัสนาเองนี่เล่นยากนะี้เรารหลร่ไมแล้วรา่าะกขึ้น่ไมก็ได้อยอะไรก็ดีจะถอยเลยก็ได้หรือบางคนชอบดูเวทนานั้นดูไปสิมันเจี้ยงไม่เจี๊ยงอย่าบางคน บางคนไปเรียนกับท่านเกิดจาให้นั่งไม่ให้กระดุกกระดิกในนี้จะให้ดูเวทนาว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่ใช่เราแล้ว แ, ลแต่ว่าจะใช้กรรมฐานอะไรถ้าเราพวกสุขภาปฏิปทาเราต้อเปลี่ยนหรอมาเปลี่ยนแล้วเราก็เห็นว่าใจเราสบายเมัในใจที่เครียดเพราะว่ารับสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีาใจได้อารมณ์ที่ดีใจก็สบายแล้วแต่ อะไรก็ได้เอาเพืขอให้รู้ทันใจก็แล้วแต่บางคนดูเวทนาทะู้เลยก็มีนะมันรลุไปเลยก็มีไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย์มังงงนั่งนะนั่งเกบก้นแตกเลยทนทนทนทนจิตระเบิดเตรีเลยกายสลายไปหมดเหลือจิตเดวงเดียวล้วนๆเสร็จแล้วเห็นเลยว่าความไหวๆเกิดขึ้นในจิตเปิดระดับรับแร็ขาดไปเลย นะคุณลัชนีเผลอนะเมือี้เนี่ยไปคิดมันใจมันหลงไปตรงนี้พอจะดูหรอกอย่างที่หลงไปทางตรงที่สมคัญที่สุดเลยนะพุณลัชนีหลง <ไป S 1> ทา ง, งใจมไม่ต้องไม่พันถูกแล้วพ อ, จขขอาจารย์พูดมาก็รู้เลยมีแบบนี้เยองยคิดเคยเลยนี่ยแต่ไหนก็ไเคยกำหนดก่ามันเิหมไม่ต้องกำหนดกำหนดเป็นภาะราา ะ, า ะ, าะหม่แล้วอะไร เ, เออแกน้นพอแล้วแกน้ำพอแล้ ว, ลลวดีแล้ว ไม่ต้องแยกอลยนะแยกก็เป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นไม่ต้องแยกเลไปแล้วต้องไปแล้วไม่พอแล้วถ้าอยากภาก็พักแค่นี้ได้ก็บุญน่ะถ้าภาคมากเลยบางคนต้องมาั่งบัญญัติตัวนี้มันตัวอะไรตรงนี้คุ้สซ่ามือแรเลยทำมอผ้าเรามาทำถือ่ามันหมดแล้วมันมันใหม่ขึ้นอัเก่ายัไม่ทันเรียกอ่าเรียกไม่ทัน พอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งไม่มีคําเรียกพอสวดารบานถึงรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำติงนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรแบบไม่เรียกหรอกน ะ, ะไปอีกแล้วรู้แค่นี้พอแล้วแต่สังเกตไหมว่าต้องไปก่อนแล้วรู้ที่หลังเนะต้องการรู้คุณลัชนีอย่านั่งเฝ้าเพื่อไม่ให้มันไปอันนั้นจะหลงคิดทันทีเลยนะต้องการรู้หมายถึงไปก่อนอย่างขนาดนี้ไปอีกแล้วใช่ไหม ไปแว บ, บหนึ่งมันตาแล้วล่ะไปรู้ทันอย่าให้ไปนานนะแต่ว่าต้องไปอย่างเงี้ยขณะ น, นี้ไปเลยเดียวนี้แวบเนี่ยเข้าไปหาในนแล้วเก็ไปตรึกถูกอย่างนึก ไ, ไม่ออกก็จะคิดอะไรก็หาทางคิดอยก็สดรานเกิดปัญญาขึ้นง่ายๆที่เดีว่าเออง่ายๆเนี่ยยากเนะ <c oughs> ี่ยหนมากยากนานถ <c oughs> ือถ้าเห็นว่า อะไรทุกสิงที่เกิดแล้วดับไปนะมันจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเป็นตัวตนนี่แทนจริงส่วนของเราเนี่ยสังเกตไหมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดับไปยกเว้นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงยกเว้นตัวเราในตัวเราที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยคงทนมากเพราะโสดาการเห็นว่าในตัวเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเหมือนกันยากเลยนะสอง ถ้าเมไรปังไม่ไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความจริงจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราไม่ได้เลยกายใจมันไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่ถ้เราไปหลงอยู่ในความคิดมันถึงกลายเป็นเราขึ้นมาเรีนรู้สึกตัวเนึ่งเนืองหลุดออกจากความคิดไม่ใช่เราความเป็นเรามันเป็นทิฏฐิเป็นสัพยะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นนั่นเป็นความคิดความเห็นเรียนรู้สึกตัวเนึ่งเนื่ แมไม่นั่งเพ่งไปนะแมนเขไปเรื่องกรศึ่าเ่องที่มีมามีทั่วังคนไทางชา้ิทุกศาอะรอยางนี้่องอแล้วก็มีคน่ากงนกะโยชน้ก็มีความรู้ดงดูดใจทีน้จะได้เข้า อยากจะให้าเรียนรู้ที่จะเนการิาสร์ที่จะให้เขามาปฏิบัติมามาเร่สใจที่ไม่มีที่จะยนูว่าเขาไม่ได้เป็นร่ นะแต่และคนน่ะกว่าจะแท้ขึ้นมาได้ยากนะนะนะ แ, แล้วแต่ละคนจะจิตนิสัยอะไรไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนสอนอย่างนี้ถึงจะเข้าใจบางคนสอนอนี้ถึงจะเข้าใจมันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปจุดใหญ่อันหนึ่งอาจจะค่อยๆแนะนำให้เขาสังเกตจิตที่มันไหลไปนะ คือเรื่องจิตสออกนอกจิตส่งเข้าห้องไหนแล้วอย่าไปพูดเรื่องของเก่าลองบอกว่าเนี่ยมันลองสังเกตสีจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะอหาให้ดูตัวนี้ก่อนถ้าเขาเห็นตัวนี้ต่อไปเขาก็จะรู้ว่าตอนเขาดูยกย่างเนี่ยจิตไหลตอนดูพองยุบจิตไหลลงไปนอนแช่เขาเห็นเองอะอาตารย์มาเขาใช้วิธีเนี้ยหาดูสภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเขาก็มาโวยวายบอกอ้าวที่ทําอยู่นี้มันสมะถะทั้งนั้น ก็ใช่งสิแต่ว่าเราไม่ต้องไปว่าอาจารย์อาจารย์พาทามาขนาดนั้นก็ดีแล้วนะดีกว่าไปชั่วร้ายอย่างอ่นอ่ะันนี้พออย่างนี้นะอ่าโอเค มันมไม่รู้เราไม่รู้ที่ไปะก็ไม่ได้คอะไริาคือแผ่เมตตาเนี่ยนะปฏิปฎิไม่ได้แผ่ให้คนอื่นนะแผ่เมตตาแล้วเราสบายนะเพราะฉะนั้นเราแผ่ในสมาธิหรือออกมาแผ่นั่งเฉยๆแผ่ทำไปเรื่อยๆทำแล้วสบายใจแต่อย่างถ้าจิตใจของเราเกิดความเมตตาเนี่ยมันออกไปเองไม่ต้องแผ่ ยังเราไปแผ่เมตตาให้คนแผ่ยากแผ่ให้หมาให้แมวยิ่งง่ายกว่าเงั้นนั่งสมาธิอยู่แล้วจะไปแผ่ในสมาธิ <c oughs> ก็แสดงว่าเราไม่ได้อภปนา <c oughs> นะยังอยู่สมาธิตื้นๆอยู่นะยังแผ่ได้สมาธิลึกก็แผ่ไม่ได้ที่ท่านสอนบอกต้องออกมากอดจึงต้องออกจากอัปนาเพราะอยู่ในอัปนาคิดไม่ได้เนะหลือแต่ความรู้สึกอันเดียว เพราะฉะน้นต้องถอยออกมาถึงเีจยเกิดความคิดแล้วแผ่ไดนะ้ยังไม่ใช่ใจไม่ได้ไม่ใช่อพนาอกอนาทํายากนะไม่ใช่ง่ายพวกเราส่วนมากทำกบนไม่ค่อยได้หรอกยกตัวอย่างนะอพนาสาราธิเนี่ยเริ่มสมมุติทํากระสินสกักอันกระสินดินเอาหาดินมาก้อนหนึ่งมาแผ่แผเป็นร ก, กลมแล้วไปนั่งดูลืมตาดูดินเนี่ย นะตาที่มองดิ น, ดนเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะเอาดินเป็นอารนณ์ดูดินไปดินจนกระทั้งเราหลับตาปารึมตาก็เหมือนกันรูปในใจเราที่เหมือนเนี่ยดินจริงๆเยเรียกว่าบุคหานิมินะตพอเรามีรูปดินในใจเราไม่ต้องดูดินตัวจริงนะให้ดูรูปดินในใจบุคหานิมิต ด, ดูไปได้จนมันสใสเป็นแก้วเลยนะเล็กได้ใหญ่ได้เนี่เยเป็นปฏิภาคนิมิตก็ได้ขยายได้นะ ได้ปฏิภาคนี้ยังไม่ได้ประสมชาญเลยนะหรือร ja. ู้ลมหายใจนะมันเห็นเป็นเรียวอะไรเป็นแสงเลยนะยังไม่ถึงประถมชาญเลยไม่ได้เข้าเราพูดกันเองนะยิ่งพวกเด็กลานทำเนี่ยพูดกันเองมากเลย โอ้ไม่มีนะเวลาถึงอัป็นนาจริงโลกาธาตุหายไปหมดแนละ้วเพราะจิตเหลืออารมณ์มันเดียวนะคืออารมณ์นิมิตนิมิตแต่นี้ไม่ใช่เห็นอะไรต่ออะไรนะคือนิมิตที่อัตมาพูดแตกี้นะไม่ต้อเคียดนะไม่ต้องมีจำเป็นเราถือว่าเราดูทีวีนะดูไปดูไปมีเรื่องตลกใจเราขำหรือว่าขำนะดูแล้วเครียดหรือว่าเครียดก็จะขึ้นภาษีเราดูแล้วเครียด ว่าเคียดแต่ถ้าดูแล้วเราทำใจอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่มีทั้งภาษาทั้งวิปัสวิปัสนานี่แกล้งทำทื่อๆเฉยๆอย่าไปสึกอย่างนั้นเลยไม่ดีนะเชิญคำสามฝึกท้ายได้ได้ได้ยินมาที่อาจารย์สอบไว้บอกว่าการกำเนิสติในชีวิตประจำวันก็คือให้ดูที่ความคิดเวาเองเพราะความคิดเป็นใหญ่ ให้ดูว่าตอนมีความคิดเอาเป็นอยังไงให้รู้ทานความคิดอันนี้ม่สํานวนนะคือสํานวนให้ดูความคิดอย่างสายหลวงพ่เตียนพูดได้เรองดูความคิดความจริงไม่ใช่ดูตัวเรื่องที่คิดถ้าเราดูดูอาการที่จิตไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดนี่ถูกเป๊กเลยถ้าตัวเรื่องที่คิดเนี่ยเป็นสมมุติปัญญาอาการที่จิตไปคิดเนี่ยมีสภาวะแตอนนี้จิตเราไหลไปคิดเรารู้ทางการความคิดนี่จะขาดสะบั้นึ่ง หรือมันคิดคิดค ด, ดูอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ดูตัวจิตนะก็ดูตัวเจหรืสิ่งที่มันคิดคิดไปเรื่องนี้เกิดความสุขรือว่ามีความสุกนี้ใช่ได้คิดไปแล้วเกิดปุ๊กรู้ว่าคิดไปแล้วเกิดอุศรคิดไปแล้วเกิดอักขุสรู้สุกปุ๊กอุสรอักขุสรเนี่ยใช้ได้ย่งอย่ผมพยายามจะจับมวลมูมคือเป็นนักคิดอืพยายามจะจับมวลมูมก็เป็นมุมที่เป็นอุศรกับอุสรพอรู้ว่าเป็นอักขุสรก็พยายามจะรักเมื่อก ให้รู้เลยอคติสนอยู่ในสังขารขันอยู่ในกองพุกพวุกให้รู้ไม่ใช่ให้รักแต่ถ้าเราเร า, เราแยกเป็นหมวดใหญ่ๆแค่นี้เราจิตเราไปรู้ความที่เราว่าเราคิดสุตสนหรือเราคิดอคติสนแค่นี้เป็นวิธีการ ด, ดูที่ความรู้สึกอย่าไปดูที่ความคิดดูที่ความนะอย่างเป็นตัวอา่าคิดเรื่องนี้ไปแล้วเกิดราคะเนี่ยรู้ว่ามีราคะขึ้นมานี ไม่ต้องไปบัรรยายนะคิดคิดเรื่องสาวนั่นนเะกิดราคานะนั่นราคะไม่ดีอย่าไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แมวออเลยให้ดูที่ความรู้สึกอย่าไปดูที่เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดเป็นบัญญัติไม่มีตัวจริงอะไรห้ามมันไปได้คิดทั้งวันมันไม่มีเกิดดับนะคิดตอนไหนเช้ายันข้ า, ขาไม่ไปเกิดดับนะวันนี้สมควรเสียเวลานะเรื่องรู้จักด็ตอร์ชลิทนทร์และพี่ตุง ลูกสาวลุงชินมีพวกน้องๆหลานๆเมื่อก่อนได้อาศัยสาราลุงชินเนี่ยที่บอกว่าสติปัญาสติที่บริบูรณ์แล้วจะทให้พวชงเกตบริบูเนี่ยตามเรื่องพวกชงเกลลตนนกชงเกตเนีเ่ยเริ่ ม, มต่สตสติปัญญาทำให้เกิดสติบ่อย พอมีสติก็สามารถรู้กายรู้ใจได้นะทำมาวิจยัยพอมีสติเกิดถี่ขึ้นที่ขึ้นมีธรรมวิจยัยจะรู้กายรู้ใจก็ยิ่งทำให้รรสติเกิดที่ขึ้นอีกนะนะมันก็เป็นวิริยะเห็นแล้วใจมันจะเปิดตาเ น, นี่ยทำมีสติะระลึกรู้อีกนะมันก็สงบระงับลงไปสงบระงับลงไปคราวนี้ใจจะตั้งมั่น ใจทั้งมั่นรูคนนน้ความตั้งมั่นน้อยกว่าเป็นกลางความตั้งมั่นนี้ก็ไม่เที่ยงรู้ทันในี้ใจยราเข้าไปถึงความเป็นกลางจิตใจเราเข้าไปถึงรู้เบิดขาทำโคดชงเนี่ยตัวนี้มันจะต้องเป็นอเบิดขาที่ปัญญามีมียานทัศนะอยู่ตัวหนึ่งคือสังขารรู้เบิดขาอย่างใจเราเป็นกลาง อ<บ>๋อ